แล้วก็มีประโยชน์นะกับพระลูกวัดด้วยนะพระลูกวัดรูปไหนที่ได้อ า, อาหารบินธบาศจากส่วนพราสังฆราชก็จะรู้สึกว่าจะต้องใช้อาหารที่ได้มานั้นให้เกิดประโยชน์นะไม่ใช่กินเพื่อปนเปือกิเลสนะหรือว่ากินเสร็จก็ไปชาวเอนเพนนอนนะแต่ว่าต้องทำความดีหรือว่า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 เขาก็มาขอให้ท่านนี่แหละให้โยมพ่อโยมแม่นี่แหละโดยพ่อโยมพ่อเนี่ยไปช่วยหาหาวัวหาควายที่หายให้หน่อยหานี่ไม่ยากนะนะไม่ได้ไปหาวั ว, วหาควายแต่ไปหาคนไปหาคนที่ขโมยซึ่งก็มักจะรู้กันว่าเป็นใครนะพอโยมพ่อไปเอ่ยปากกับโจรว่านะให้ปล่อยเขาไปเถอะนะปล่อยวัวไปควายไปเถอะคืนวัวคืนคืนควายก็ไป จนมันก็เชื่อนะอาจจะเป็นเพราะเห็นว่าโยมพ่อโยมแม่ถ้าเป็นคนมีคุณธรรมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเคยได้รับความเ อ, อื้อเฟื้อนะเคยได้รับข้าวได้น้ำนะจากอ่าโยมพ่อโยมแม่ของท่านก็ก็เกรงใจนะเชื่อฟังเพราะว่าอ่าโยมพ่อโยมแม่งท่านเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เอาอาหารไปแบ่งปันให้กับ เพื่อนบ้านอยู่บ่อยๆอยู่เป็นประจำนะแต่ว่ายังทาอาหารเนี่ยคนแปลกหน้าด้วยมีคนแปลกหน้ามาเยี่ยมมาเย็ยนนะสมัยก่อ น, นไม่มีโรงเตี้ยมไม่มีโรงแรมก็ต้องมาพักตามบ้านท่านบ้านท่านก็พอมีฐานะพ่อแม่ก็เลยทำอาหารนะเลี้ยงคนแปลกหน้าอันนี้ก็เป็นประเพณีนะของ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 นะกินข้าวกินน้ําของเราแล้วก็ะจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรแล้วนะคนสมัยก่อนนี่แม้ั้งโจรก็มีคุณธรรมนะถึงแม้ว่าอาจจะมาตั้งใจจะมาป้นนะแต่พอได้ข้าวได้น้นะจากเจ้าของบ้านก็ใจอ่อนได้เหมือนกันหรืออย่างเนี้ยหลวงโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อปัญ ญ, ญาเนะี่ยเวลาจะไปบอกให้โจร น, นะปล่อยวัวปล่อยควายคืนเจ้าของไปโจรมันก็เชื่อนะ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 ส่วนบ้านโน้นก็ทำเหมือนกันแต่ว่าคนละชนิดก็มาแบ่งกันนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทำอย่างเดียวแต่ว่าได้กินหลายอย่างนะชีวยแบบนี้เราก็เป็นชีวิตที่ทําให้คนไทยนี่ถึงแม้ว่าจะลาบากยากจนนะแต่ว่าก็มีความสุขนะมีความสุขใจมีความอุ่นใจนะอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้กินคนเดียวนะไม่ได้ความสุขหรอกนะนะแต่ว่าถ้าแบ่งกันกินนะ